พระอภิธรรมปิดดธรรมานุโลมปัจจ尼ยะเตึกะทุกะประธานขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น หนึ่งกุชละเตกะหนึ่งเหตุทุกกะหนึ่งถึงเจ็ปฏิจจวาระเป็นต้นปัจจะเจตุกรนัยเหตุป okay. ัจใจหนึ่งสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุ เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤิซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอุสลซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลและที่ไม่เป็นอภิยากฤิซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอุศลซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศนซึ่งไม่เป็นเหตุ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 สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤดซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นพระเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอัพญากฤดซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นพระเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤดซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นพระเหตุตุปปัจจัย ย่อเหตุปัจจัยมีสิบสาวาระอารมณปัจจัยนิฆาวาระละถึงวิปากระปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสิบสาวาระปัจจนิยะนะอารรมณปัจจัย 2. ส, สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะณอารรมณปัจจัยย่อ ณอารมณ์ปัจจัยมีเก้าวาระณนะอธิปติปัจจัยมีสิบสามวาระละถึงณปุเรชาตปัจจัยมีสิบสามวาระละถึงณวิปยุตตาปัจจัยมีเ้าวาระโนวิคตาปัจจัยมีเ้าวาระพึ่อขยาย ช, า, ชาติวาระละถึงสัมปยุตตาวาระให้พิจารณาเหมือนสัพติจจวาร ะ, ระเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัย สสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุโดยเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤิซึ่งไม่เป็นเหตุโดยเหตุตุปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลและที่ไม่เป็นอัพยาเครดซึ่งไม่เป็นเหตุโดยเหตุตกปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นขุศลซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัพยาเคซึ่งไม่เป็นเหตุโดยเหตุตกปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยาเคซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยาเคซึ่งไม่เป็นเหตุ โดยเหตุปัจจัยมีห้าวาระสภาวธรรมที่เป็นอภิยกฤิตซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นขุศลซึ่งไม่เป็นเหตุโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นขุศลซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นขุศลซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอรมณปัจจัยย่อสีเหตุปัจจัยมีสิบสามวาระอรมณะปัจจัยมีสิบแปดวาระ อธิปติปัจจัยมีสิบห้าวาระอนันตระปัจจัยมีสิบาวาระสมณันตระปัจจัยมีสิบสามวาระสหชาติปัจจัยมีสิบสามวาระอัญญมัญญปัจจัยมีเ้าวาระเนสียปัจจัยมีสิบสามวาระอุปนิสียะปัจจัยมีสิบปดวาระปัจฉาชาติปัจจัยมีเก้าวาระอาเสวณปัจจัยมีเก้าวาระวิปากะปัจจัยมีสามวาระ ปิญเธยะปัจจัยมีแปดวาระมัคราปัจจัยมีแปดวาระสัมำยุตตปัจใจมีเก้าวาระวิปยุตตปัจใจมีเก้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบสาวาระพึงขยายปัญหาวาระให้พิจารณาห้ 5. สภาวธรรมที่ไม่เป็ น, นกุศลซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤะซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นขุศลซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นพระเหตุปัจจัยยอ่อเกิดปัจจัยมีเก้าวาระอารมณะปัจจัยมีเก้าวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละเก้าวาระหนึ่งภูเชลติ ก, กะ สองเหตุตุกระทุกระหนึ่งถึงเจปฏิจจาระเป็นต้นปัจยะจตุกานายัยเหตุ ป, ปัจจัย 6. สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย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 สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งมีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมี9ลาวาระอารมณะปัจจัยมีสามวาระละถึงสหชาตาปัจจัยมีสิบอดวาระอัญญามัญญะปัจจัยมีหกวาระละถึงกรรมปัจจัยมีสิบเอดวาระวิปากปัจจัยมีสามวาระ ละถึงอวิคตะปะจัจจัยมีสิเอดวาระสหชาตะวาระละถึงสัมปยุตะะตจจะวาระเหมือนกับปฏิจจวาระ 7. สภาวะธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีเหตุโดยเหตุตุปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่มีเหตุโดยเหตุตุปปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่มีเหตุโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่มีเหตุโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่มีเหตุโดยเหตุปัจจัย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 สภาวธรรม Stern ที่เป็นอัพยากฤิสซึ่งมีเหตุเป็นปัจจัย แ, แก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นขุศลและที่ไม่เป็นอกุสลซึ่งไม่ใช่มีเหตุโดยเหตุปัจจัยย่อ8เหตุปัจจัยมี9้าวาระอารมณะปัจจัยมี15้าวาระอธิปติปัจจัยมี9้าวาระอนันต ร, ประปัจจัยมีสิบอดวาระสมณันต ร, ประปัจจัยมีส1บอดวาระสหชาตปัจจัยมีสเอดวาระ อัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระนิสยปัจจัยมีสิบอดวาระอุปานิสยปัจจัยมีสิห้าวาระปุเรชาตปัจใจมีเก้าวาระอเจวะณปัจจัยมีสามวาระกามะปัจใจมีเก้าวาระวิปากปัจจัยมีสามวาระอหาระปัจใจมีเก้าวาระอินทรียะปัจจัยมีเก้าวาระชานะปัจใจมีเก้าวาระ มัคคะปัจจัยมีเก้าวาระสัมยุตตปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตะปัจจัยมีเก้าวาระละถึงภวิคตะปัจจัยมีสิบสามวาระเกสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นแนวกุศลซึ่งไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นแนพยากฤิซึ่งไม่ใช่ไม่มีเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัิญญากฤตซึ่งมิใช่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งมิใช่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัิญญากฤตซึ่งไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัย สภาวธรรมที karaoke, ่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อเหตุตุปัจจัยมีหกวาระอารมาณปัจจัยมีหกวาระ วิปากปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระหนึ่งกุศลตึกะสเหตุสัมปยุตตทุกกะสี 10. สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่สัมปยุตด้วยเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสัมปยุตด้วยเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหมือนกับเหตุตุกะทุกกะหนึ่งกุศลตุกกะ สเหตุสหเหตุกะทุกระสิอดสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่ใช่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุและมีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอพยากฤดซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่ใช่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุและมีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลและที่ไม่เป็นอัพยกฤิซึ่งไม่เป็นเหตุและมิใช่ไม่มีเหตุอาศัย ส, สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุและมีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุและมิใช่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุและมีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัปจมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุและมิใช่ไม่มีเหตุ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 เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อเหตุตุปัจจัยมีห้าวาระละถึงวิปากาปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตปัจจัยมีห้าวาระสิสองสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่ไม่มีเหตุและไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นอภพยากฤตซึ่งมิใช่ไม่มีเหตุและมิใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอภิกุศลและที่ไม่เป็นอภิยกฤตซึ่งมิใช่ไม่มีเหตุและมิใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัย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 อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอภพยากฤตซึ่งมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นขุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่ไม่มีเหตุและไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอภพยากฤษซึ่งมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระละถึงวิปากปปจัยมีสามวาระละถึง เอวิคตาปัจจัยมีกล่าวว่าหนึ่งกุศลติกะห้เหตุุเหตุสัมยุญตะทุกะสิบสาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่วิปวิจากเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุและสัมยุญด้วยเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอภยเกฤดซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่วิปวิจากเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุและสัมบุญด้วยเหตุเกิดขึ้นประเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลและที่ไม่เป็นอัภยากฤิซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่วิปยุจจากเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุและสัมยุญด้วยเหตุเกิดขึ้นประเหตุตุปัจจัยมีสามวาระเพิงเพิ่มสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอพยากฤตให้เป็นอย่างละสามวาระ เหตุปัจจัยมีก้าวาระและถึง ว, ว, yours, วิปากปปจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจ so ัยมีก้าวาระ 14. สภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่วิปยุจจากเหตุและมิใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสัมพยุจด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอภยกฤตซึ่งไม่วิปยุจากเหตุ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 มีสามวาระที่เป็นอัพญากฤิตมีสามวาระเหตุปัจจัยมีกล่าวาระละถึงวิปากปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตตปัจจัยมีกลาวาระหนึ่งคุชลติกะหเหตุจเหตุกะทุกระสิบหสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่ใช่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุ แต่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัตย์ใสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่ใช่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัตย์ใสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่ใช่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัตย์ใ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอคุศลซึ่งไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุศลและถึงที่ไม่เป็นอคุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอพยพกฤตซึ่งไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุและถึงสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุศลและที่ไม่เป็นอคุศลซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่ใช่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอพยพกฤตซึ่งไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุ เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยเหตุปปัจจัยมีเก้าวาระอัญญะมัญญะปัจจัยมีสามวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระสิหสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่ใช่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัย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 พวิคตตปัจจัยมีสามวาระเหตุโคจก ะ, ะจบ 1. นึ่ภูละตึกะเจสับปัจยะทุกะ 17. สภาวะธรรมที่เป็นอัยยากริตซึ่งไม่มีปัจจัยปรุงแตง่ง เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอภิญากฤตซึ่งมิใช่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งโดยอารมณะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤตซึ่งไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งมิใช่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งโดยอรมณะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤตซึ่งไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศล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 โดยธรรมณปัจใจธรรมณะปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระอุปาณิเสปปัจจัยมีห้าวาระอาศังคตะทุกะเหมือนกับอบปัจจยทุกะหนึ่งกุศลติกะเก้าชนิทัชณะทุกะสิบแปดสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิซึ่งเห็นได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยกฤิซึ่งไม่ใช่เห็นได้ โดยอรมณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากรึซึ่งเห็นได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่เห็นได้และถึงเพิ่มเพิ่มเป็นหกวาระอรมณปจัจจัยมีหกวาระอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระอรุปาเนสิยะปัจจัยมีหกวาระรปุเรชาตปัจจัยมีหกวาระอธิปัจจัยมีหกวาระอวิคตะปัจจัยมีหกวาระ สภาวธรรมที่ไม่เป็นขุศลซึ่งไม่ใช่เห็นไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นขุศลซึ่งเห็นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยละถึงเพราะสภาวธรรมที่เป็นอกขุล ม, ม, มีสามวาระเพราะสภาวธรรมที่เ ป, ป็นอัพยากฤตมีสามวาระเหตุปัจจัยมีเก้าวาระละถึงวิปากาปจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีเก้าวาระ หกุศลติกะสิบสัพปะเตฆาทุกะ19 ส, สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่กระทบได้หาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่กระทบได้หาสัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่กระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอพยกริซึ่งกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระเพราะสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลมีสามวาระเพราะสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลมีสามวาระเพราะสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัภยกริมีสามวาระอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอภยกฤิซึ่งกระทบไม่ได้มีสามวาระอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัภยกริซึ่งกระทบไม่ได้มีสามวาระเหตุปัจจัยมีสห้าวาระละถึง อัญญาัญญปัจใจมีสามวาระละถึงวิปากปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสิบห้าวาระหนึ่งอุศละตึกกะสิบเอ็ดรูปีทุกะยี่สิบสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นรูปอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งเป็นรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นรูป อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งเป็นรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นรูปอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิซึ่งเป็นรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระละถึงอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นรูปมีสามวาระ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นรูปมีสามวาระอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอภยกฤิซึ่งไม่เป็นรูปมีสามวาระเหตุปัจจัยมีก้าวาระละถึงอัญญมัญญะปัจจัยมีสามวาระละถึงวิปากปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระหนึ่งุชลติกะสิบสองโลกีะทุกะ 21สภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤิซึ่งไม่เป็นโลเคียอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งเป็นโลกคียเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นโลกคียอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งเป็นโลกคียเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นโลเคียอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งเป็นโลกคีย เกิดข e i mean um> ึ้นเพราะเหตุตุปจาใจสภาวธรรมที่ไม่เป็นอคุศลและที่ไม่เป็นอภิยากฤตซึ่งไม่เป็นโลเคียอาศัยสภาวธรรมที er ่เป็นอัพยากฤิซึ่งเป็นโลเคียเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปจาใจสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นโลเคียอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งเป็นโลเคียเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปจาใจเหตุตุปจาใจมีห้าวาระละถึง วิปากะปัจจัยมีสามวาระ ura, ละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นโลกุตระอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นโลกุตระเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นโลกุตระอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นโลกุตระเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย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 เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นขุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นโลกุตระหาสายสภาวธรรมที่เป็นอพยากฤิซึ่งเป็นโลกุตระเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยยอ่อเหตุตุปัจจัยมีหกวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระหนึ่งกุชลตึกกะสิบสาม เจนะจิว i mean ินเยยทุกะยี <t> ่ส <t> ิบสองสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งจิตบางดวงรู้ได้เกิดเคลื่อนเพราะเหตุตุปัจใจย่อสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งจิตบางดวงรู้ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจัย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 สภาสสวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่จิตบางดวงรู้ไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งจิตบางดวงรู้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุกปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่จิตบางดวงรู้ไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งจิตบางดวงรู้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอพยกฤตซึ่งไม่ใช่จิตบางดวงรู้ไม่ได้ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งจิต บ, บางดวงรู้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีสิ้าวาระอารมณะปัจจัยมีเ้าวาระละถึงวิปากปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสิ้าวาระโดยอุบายนี้เพึ่เพิ่มสภาวธรรมที่จิต บ, บางดวงรู้ไม่ได้ให้เป็นสิ้าวาระ หนึ่ะลติกะ 14. อาสวะโคจกะ24สภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นอาสวะละถึงสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤิซึ่งไม่เป็นอาสวะสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤิซึ่งไม่เป็นอาสวะ สภาวะธรรม Panel ที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็น อ, อาสวะอาศัยสภาวะธรรมที่เป qui er, hey, ็นอกุศลซึ่งเป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีห้าวาระอรมณปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะ เกิดขึ้นเพราะเหตุกปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอพยยากฤิซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นอาสะวะมาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นอาสะวะและถึงสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอพยากฤิซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นอาสะวะเ ก, กิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระยี่สิบห้า อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเหมือนกับโลคิยะทุกกะยี่สิหสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะละถึงสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยกฤิซึ่งไม่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะ สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัพยกฤตซึ่งไม่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีห้าวาระอรมณะปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่วิปยุจักอาสวะ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งวิปยุจากอาสวะและถึงสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากรตซึ่งไม่วิปยุจากอาสวะสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งวิปยุจากอาสวะเกิดขึ้นพระเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระยี่สิบเจ็ด สภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะและไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะและถึงสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะและไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัภยกฤิซ kind of ึ่งไม่เป็นอาสวะและไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลและที่ไม่เป็นอัภยากฤิ ซึ่งไม่เป็นอาสวะและไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะและไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีห้าวาระอรมณปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ และมิใช่ไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะสภาวธรรมที่ไม่เป็นอภิญากฤตซึ่งมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะและมิใช่ไม่เป็นอาสวะสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัพญากฤิซึ่งมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะและมิใช่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึง อวิคตะปัจจัยมีสามวาระยี่สิบปดสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะและไม่วิปยุจากอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นอาสวะและสัมปยุจได้อาสวะสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยกฤิซึ่งไม่เป็นอาสวะและไม่วิปยุจากอาสวะสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัภยกฤตซึ่งไม่เป็นอาสวะและไม่วิปยุจากอาสวะ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่วิปยุจฉ์อาสวะและมิใช่ไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสัมปยุจได์อาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะสภาวธรรมที่ไม่เป็นอพย า, ากฤิซึ่งไม่วิปยุจฉ์อาสวะและมิใช่ไม่เป็นอาสวะ สภาวะธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอภพยากฤตซึ่งไม่วิวิจักอาสวะและมิใช่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระยี่สิบเ้าอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอภิยากฤิตซึ่งวิวิจักอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะเหมือนกับโลคิยะทุกกะหนึ่ง กุศลตะ 20, กะ้ายี่สิบฉโคชพระทุกะ้าสามสิบอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นสังโยชน์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นคันทะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นโอคะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นโยคะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นนิวรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นปรามาต ยอ่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระ ย, ย่อหนึ่งกุศละทุกกะห้าสิบห้าสารมณทุกกะสาสิบเอ็ดสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นกุศลซึ่งรับรู้อารมณ์ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งรับรู้อารมณ์ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งรับรู้อารมณ์ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้ ศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งรับรู้อารมณ์ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตัวปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งรับรู้อารมณ์ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งรับรู้อารมณ์ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นขุศลซึ่งไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอภิยากริตซึ่งรับรู้อารมณ์ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อเหตุปัจจัยมีก้าวาระอธิปติปัจจัยมีก้าวาระและถึงอัญญมัญญะปัจจัยมีสามวาระและถึงวิปากะปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตปัจจัยมีก้าวาระ สาสภาวธรรมที่ไม่เป็นขุศลซึ่งไม่ใช่รับรู้อารมณ์ไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤิซึ่งรับรู้อารมณ์ไม่ได้เปิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอภิกุศลซึ่งไม่ใช่รับรู้อารมณ์ไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤิซึ่งรับรู้อารมณ์ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นขุศลและที่ไม่เป็นอภิกุศลซึ่งไม่ใช่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากริซึ่งรับรู้อารมณ์ไม่ได้โดยขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระ